ฆ่าครูบาพรมมาเถระครูบาพรหมมาพรหมจั๊กโกวัดพระพุทธศักราช 2441 ถึง 2527 มีสติปัญญามันมี จึงไม่เห็นเรากิเลสเรื่อย เราจึงสร้างสติขึ้นทุกข์คือสติของเราให้เกิดขึ้น สว่างขึ้นมาเมื่อเรามีสติแล้วมาขึ้นรูป คืออะไรรูปก็คือสิ่งที่รู้จักย่อยยับก็คือ สลายไปน้ำคืออะไรน้ำก็คือสิ่งที่น้อมไปคือ ที่ไม่ฉะนั้นจิตของเราหรือชีวิตจิตใจของเรายืนฉะนั้น เราไปหลงยึดมั่นถือ เมื่อข้อสำคัญเข้าความเชื่อกรรมฐาน ที่กำลังที่ปลูกวิริยะ คือจากนั้นเพียรจาก ทำการกำหนดของเราให้มันถี่เข้าถี่เข้าให้มันละเอียดละออไปทุกเวลานาทีจากนั้น ตั้งมั่นสุดท้ายในสภาวธรรม เห็นรูปเป็นอะไรความแต่ล้วนจริง จงพยายามปล่อยวางพยายามปล่อยวางวิปัสสนากรรมฐาน เป็นความจําเป็นที่สวยว่างาม ว่าดีอย่าได้ยึดถือ อย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกันหมดนี้เหมือนๆ ปล่อยรูปก็ปล่อยไปตามรูปเสียงก็ปล่อยไปตามเสียงไม่ใช่รูปของเราไม่ใช่เสียง ของเราไม่ใช่อะไรทั้ง ก็ปล่อยมันไปเสียให้วางใจเฉยชีวิตของเราทั้งหลายจึงนับว่าเสียให้ เป็นเพราะเราไม่รู้ไม่รู้ตามความเป็นจริงเราอารมณ์ ขึ้นอยู่กับอารมณ์อยู่กับอารมณ์อารมณ์ ขอบงามจิตของเราอายัตนะก็คือที่ต่อมีสิบสองอย่างภายในหกภายนอกหก ของคู่กันเช่นตาเป็นคู่กับรูปหูเป็นคู่กับเสียงจมูก เป็นคู่กับกลิ่นลิ้นเป็นคู่กับรถกายใจเป เป็นคู่กับธรรมรมคู่เกิดความรู้ขึ้น จิตเกิดขึ้นถ้าเป็นรูปที่ดีก็มีความพอใจถ้า ก็มีความเสียใจไม่พอใจไม่อยากได้เสียใจ จิตเกิดคือจําคิดปรุงแต่งอารมณ์และเสวยอารมณ์เป็นสุข เป็นทุกไม่สุขไม่ทุกอย่างนี้เป็นต้นนี่คืออารมณ์ทุกข์ภายในหกภายนอกหก อันตรายอะไรต่างตาลเข้ามา ประกอบกันนี้เป็นกระแสให้เกิดความสุขนี้เป็นคุณโทษทุกสิ่งทุกอย่าง โดยเฉพาะก็คือเฉพาะคือความอยากดีก็ไม่อยากกระแสตัณหา เราจึงต้องปลูกสติจึงต้องปลูกกล้า ให้ไปในอารมณ์ส่านได้